m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 ก็ทำด้วยความมีขันติวิหิงษาอาวิหิงสาคือการไม่เบียดเบียนด้วยจิตเมตตามุ่งเกื้อกูลผู้อื่นนะเพียงแค่นึกถึงผู้อื่นเนี่ยนะมันก็เท่ากับเป็นการช่วยตัวเองนะอย่างสองตัวอย่างข้างต้นมีผู้หญิงคนหนึ่งนะเธอติดเชื้อ HIV เนี่ย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 แต่ก็พบว่าคนชลาเนี่ยนะที่มีต้นไม้อยู่ในห้องของตัวแล้วก็ลดน้ำต้นไม้ด้วยตัวเองจะตายอัตราการตายเนี่ยจะลดลงครึ่งหนึ่งนะของคนชลาที่ไม่ได้ลดตน้นไม่ได้ลดน้ำต้นไม้แค่นั้นแหละนะแค่มีต้นไม้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 ชอบพาคนชอบชักชวนเพื่อนๆนไปทำบุญทอดผ้าปา่าทอดกับถินเพื่อสร้างบวทสร้างวิหารในวัดที่ไกลวัดชนบทยิ่งอยู่ในถิ่นธุรการดารมาเท่าไหร่แกก็ยิ่งใส่ใจนะก็ทํา ม, มาเป็นส0บยี่สิบปีหรือนานกว่านั้นแล้วหนึ่งพอตัวองเป็นมะเร็งแล้วมะเร็งก็ลามเร็วมากจนทั้งสุดท้ายก็มาอยู่ในระยะสุดท้ายที่โรงพยาบาล พออยู่ในระยะท้ายเนี่ยแกแกพูดไม่ได้แล้วนะแกก็มีการกระตุกกระสับ ก, กระส่ายลูกหลานนี่ก็เห็นว่าแกเป็นคนธรรมะธ ร, รมโมนะถ้าได้ฟังเทพธรรมพระสวดมนต์ก็คงจะสงบแต่ปรากฏว่าไม่ได้ผลนะแล้วยังมีการกระสับ ก, กระส่ายลูกหลานก็แปลกใจทําไมคนธรรมะธ ร, รมโมฟังเทพธรรมพระสวดมนต์แล้วนยังไม่สงบจนกระทั่งเพื่อนสนิทมาถึงเนี่ยพอรู้เกิดอะไรขึ้น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 นะต้องรู้จักปล่อยรู้จักวางนะขนาดธรรมะหรือกุศลธรรมเนี่ยก็ยังต้องรู้จักวางนะนั้นนภาัษสาอะไรกับอกุศลธรรมเนี่ยนะยิ่งแต่ต้องไม่ได้อหเอาละชาญเพืก่กภพทุนนี้กรับครับ